อาจกันตั้งใจภาวานาอยู่แล้วเรดัะนั้นต้องการอยากจะอบรมเรื่องภาวานาเป็นของสําคัญเรื่องอื่นที่เราเคยทํามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ผ่านพ้นมาแล้วทานจินไหวพระ ส, สวดมนต์ภาวนาแล้วก็ได้ฝึกฝนอบรมมาแล้วือกันโดยสามารถได้เห็นมาแล้ว แต่เรื่องภาวนานเป็นของเหตุเนี่ยเพราะเรื่องภาวนามันเป็นงานด้านจิตใจมันทำได้ตนเองคนอื่นช่วยเหลือไม่ได้ทุกคนต้องทำได้ตนเองทำได้ความอาจหารก้าหารเด็ดเดียวทำได้อบอายเงียบขายอันละเอียดลึกซึ้งถึงจะเป็น ไม่ใช่ว่าจะนั่งเพราะว่านาหลับตาแล้วนึกพุโทโธพุโทโธได้จะเป็นเพราะนายอย่างเดียวอย่างนั้นก็หาไม่นึกพุโทโธนะถ้าหากมันมีียบคายอุบายลึกละเอียดนานๆ น, นะเข้าเป็นเหตุให้นในเกียดเบือ่อนายเป็นเหตุให้ลำคาญนึกพุโทโธไม่ ม, มีอะไรปรากฏ นึกไปกำหนดพิจารณาไปก็ไม่มีอะไรปรากฏแล้ววันที่สุดนั้นไม่ได้อะไรกเลยเบื่อเห็นนั้นเองว่าต้องใช้อุบายเงียบขายลึกละเอียดเข้าวายบเงียบขายที่นี่นั้นนึกพุดโทรแล้วสติมันต้องพร้อมไปกับคํานึกนั้นทำความรู้เท่ารู้สึกไปพร้ อ, รอมๆกันเป็นอันเดียวกันไป รวมเขไปในที่เดียวนะตามเข้าไปถึงจิตไม่ใช่ว่าจะนึกคิดพุดโทโธแล้วแล้วก็แล้วไปจิตตามเข้าไปรู้เท่ารู้ถึงนึกพุโทโธนะ่ะทันทันกันไปพร้อมๆกันในขณะนั้นจ้างหาก็มันถึงเวลานั้นเข่าแรงความฟุ้งซ่านส่งไปในทางที่อื่นมันก็หายหมด มันอยู่แต่ความสงบที่นึนพุทโทนะ่ะสงบอยกับพุทโมีอารมณ์เดียวที่เป็นว่าที่ทเรียกว่าเอกเอ ก, ก, ะกะตาลมแลือเอกร ะ, ะ, ะตาจิตจิตอันเดียวจิตอันเดียวนี่แหละจะเกิดความซาบซึ่งจิตจะสว่างสวัยในความสงบสุขครอมลงไปในตัว ความสงบสุขอันหนึ่งนะบางทีนี่นเราพอนานึกพุโทโธพุธโทโธดันจิตสงบเย็นไว้เฉยในอย่างหนึ่งไหมไม่มีความสว่างเกิดขึ้นแบบนี้ก็ไม่ค่อยทนไม่ค่อยดีเหมือนกันพรามสงบแล้วก็อยู่เฉยอยู่นานๆถ้วเข้าก็เบื่อเหมือนกันคือไม่ไม่มีอะไรที่จะรูกแปลกประหลาดเกิดมา มันมีแวววาวสว่างขึ้นมามันก็เบื่อมันกันนัสงบเฉยสงบแล้วเกิดความสว่างพร้อมกันนั้นจึงค่อยดีคำว่าสว่างในดีเนี้ยพราะจิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวแล้วนึกพุทโธเดียวนะั้นจิตมันสงบอยู่ตอนนั้นแล้วก็เกิดความสว่างคำว่าสว่างที่เนี่ยมันมีความรู้สึกอะไรหนึ่งขึ้นมาในนั้น มันเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกนึกคิดอะไรจะแปลกต่างๆเข้ามาต่อส่งจิตใจในสว่างสว่างเช่นนึกถึงพระคุณของพระองค์คําว่าพุทโธพุทโธแล้วพรจิตสงบมาเดียวนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระธรมาทั้งพุทธเจ้าผู้รู้จริงเอ็นจริงชัดแจ้งแทงตลอดอทั้งเนื้อธรรมคือเมื่อจิตเราสงบแล้วมันป่าใสจาก ความกังวลเกี่ยวของจึงค่อยมองเห็นความดีของผู้มองเห็นความดีของพุทธเจ้าจิตเหมือนกันเลยสว่างเกิดขึ้นโอ้พุทธเจ้าที่ท่านเป็นผูต้ตัดสู่เองเห็นเองนะเห็นโทษในวัฏจาาาาั้รงส้ายเห็นทุกในกองทุกทั้งหลายมันเห็นอย่างนี้ดอกเราทําแค่นี้ก็เห็นเพียงแค่นี้ยิ่งกับพุทธเจ้าท่านผู้วิเศษสูงสุดยิ่งกวมนุษย์ทั้งหลาย ได้เห็นความสว่างแจ้งแจ่มแจ้นั้นมากน้อยกันเท่าไรขนาดเราไปานี้ก็เห็นปานนี้แต่ความที่ไปรู้นั้นมันเกิดพื้มปีติเกิด ค, ความสว่างแจ่มจ้นขึ้นมาความง่วงเหงาเผาอนอนหายใยความ ว, าานนาวามิจัยค้านหายใยมองดูแง่ใดมองดูในความรู้ความฉลาดของพุณเรียเจะก็ปลอดโปรง่งทุกสิ่งทุกอย่าง มองดูความบริสุดหมดจดที่ ม, มีกิเลสพวกพันยในสันดานของพระอง์ก็สว่างแจ่งจ้ามองดูแงปัญญาความฉลาดเฉียบแหลมของพระอง์มันก็สว่างเต็มหมดมองดูในความกรุณาคุณเมตตาคุณของพระองค์ก็สว่างหมดมองดูแงใดความวิญญาภาพเขียน ความกล้าหาญอาารรทุกสิ่งทุกประการมันเลยสว่างพร้อมกันหมดนในขณนะอย่างนั้นหรอกท่านออกภาวา น, นาจึงค่อยเป็นไปเพื่อความเบิกบาทกล้าหาญขะนัญญมันเพียรมีทอถอยยังจะไปสงบสุขเฉยนั้นได้ชั่วครู่ยอดข่าว ไปแค่เพียเดียวก็ด้านอนก่อนเลย mm hmm. เบื่อใช่คำว่าเบื่อในที่หมายคามว่าจิตมันถอนมันไม่มีเครื่องดึงดูดให้ผักดันให้เจริญก้าวหน้าเพื่อให้เกิดความสว่างเฉียดจักทร์ mm hmm. ตนี้แหละผู้ภาวนาทั้งหลายที่เสื่อมจากภาวนาเสื่อมด้วยเหตุนี้คือไม่รู้จักทางเจริญทางทำความ ทำเป็นไปเพื่อความเจริญในไม่รู้จักมันทางที่จะเป็นไปเพื่อความเสือ่อมไม่รู้จกักในการที่จิตตั้งอยู่คงที่ไม่รู้จักทางัดำทำไปมืมดๆดำๆแล้วแต่นี้เกิดจะเป็นเป็นอันไรก็เลยยึดถืออซะสำคัญหมายหมายในสิ่งนั้นเราเป็นของจริงของจัก จึงว่าต้องอาศัยเงียบขายปัญญาลึกซึ้งละเอียดจึงค่อยเป็นไปเพราะความเจริญก้าวหน้าของการทำงนานแต่ฮักดีอยู่เบื้องต้นทําความสงบได้ก็น่าบ่าเป็นประโยชน์โอโค้ไม่จะ่ของน้อยอันนี้ก็ประโยชน์มากมายเหมือนกันค่อยทําความสงบได้แบบนี้นา่าบอกเป็นารดีคือนึกเรื่องพุโทโธนี่แหละ ที่เราเคยหัดเอาพุโทโธเป็นปริกรรมในพุโทโธลงที่หัวใจอยู่ที่หัวใจความรู้ที่เรารู้ว่าเราสงบรู้ว่าเราไม่ฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตใจของเราเยือกเย็นรู้ว่าจิตใจเราอยู่ในอารมณ์เดียวนี่ก็เป็นความรู้ขั้นหนึ่ง อันนี้เมื่อจิตมันอันเดียวแล้วค่ะนี่เรามองดูสิ่งเดียวจิตมีอารมณ์มันเดียวถ้าหาก็มันวกแวกอกแงกแหวกวนไปทางใดเราก็เห็นสิอันเดียวมันดูง่ายดูอันเดียวมันดูง่ายถ้าจิตไม่อยู่อันเดียวแล้วมันเห็นเห็นเรื่องจิตของเรามันจะคิดดีคิดชั่วคิดดีคิดไร่คิดยาคิดละเอียด คิดตรงนอกตรงในเห็นได้ชัดด้วยตนเองเลยช้จิตอยูอ่นอารมณ์เดียวเห็นนั้นจึงมีหนทางที่จะชะาาําระต่างข์จิตใจได้ถ้ามันคิดหลายเรื่องหลายอย่างวนวี่วนวายจิดใไม่สงบอยู่เนี่อารมณ์เดียวก็เลยไม่ใครรู้เรื่องจิต มันผสมปสาษาอะไรอย่นี้ไม่ทราบอะไรตอนแรกตอนแรกไม่รู้เรื่องแล้วทำไม่ศร้าจะแก้ตรงไหนปวดตรงไหนเฮ้ยยุง่งอะไปหมดเรื่องยุ่งเรลือบนก็ไม่หมดไม่มีหลักฐานแก้ไม่มีขมรู้เลยเหมือนกับของ ม, มากมายอย่างที่เป็นอยู่างนี้ในกระจัดในตะก้าในกระบุงของเราผสมภาษาอะไรย่านี้เชิญด้วยสมมติว่ามีพักสดพักแห้งมี ห อ, อยอมีหน่อไม้ลูกไม้ผลไม้ผสมผสมสังอยู่นี่ทั้งหมดในกระบุงนะยังไม่ทราว่าจะไปเอาอะไรยิบอะไรถูกผสมผสมสังอยู่ในหมดไม่ทราบอะไรดีอะไรชั่วยังครั้นี้ไม่ทราบว่าอะไรเป็นของหยาบของละเอียดไม่ทราบจะยิบเอาอะไรถ้าเอาเป็นของอันเดียวแล้วครันี้ อยู่ในกระบุงของเราอยู่ในตะการขงราเนี่สมมุติว่ามีมะม่วงสักลูกหนึ่งแล้วจับมันนั่นขึ้นมาจับมะม่วงลูกนั้นได้แล้วค่ะนี่นอกจากมะม่วงมันมีอะไรอยู่ในกระกรตะหรือตะกนแล้วกระบุงแล้วก็รู้คือมันนอกจากมะม่วงลูกนั้นแล้วก็นอกจากนั้นก็เรียกว่าของหลายอย่างที่รืไม่รู้จับอะไรตัวไหนมันเป็นสมมติ พ้าพ่าจับรูกเดียวได้ถึง น, น, นอกจากรูปของม่วงมาแล้วขม่วงรูปนั้นเนี่เราเรียนวิจารณว่าเป็นของสองอย่างันอย่างไปจิตแจงแล้วไม่อย่างนั้นเมื่อกันถ้าเราจับจิตของเราคือมันอยู่ในอารมณ์มันเดียวได้แล้วจิตมันไปจับอยู่ในอารมณ์มันเดียวคือ น, นึกพุโทโธจิตมันยึดอพุโทโธไว้มั่นอยู่แล้วสงบนิ่งอยู่กับพุโทโธเอาจะคิดออกไปนอกถึงการถึงงานมันก็ออกจากพุโทโธเพราะผมรู อ๋ออันนี้มันออกแล้วคิดไปถึงบ้านถึงช่องคิดไปเข้าปากเอาลกคิดถึงหมู่ทถึงพวืวนคิดถึงการทํา ง, งานคิดถึงสิ่งใดใดทั้งหมดมันก็รู้ได้อันนี้มันไม่ใช่อันเดียวมันออกจากอันเดียวเลย้าเป็นสองเป็นสามไปแล้วแล้วก็ตั้งใจชําระนะอันนั้นไม่ใช่ไม่ถูกทางที่ดีที่ถูกคืออันนี้คืออยู่อารมณ์มันเดียวนี้แล้วก็ชําระได้นี่ใช่ว่า เราจะไปตามชําระนู่นที่มันออกไปได้ไปตามชําระนู่นใช่ไหมคิดไปทั้งการทั้งงานในบ้านในเรือนแล้วคิดไปทั้งหมู่ทเพื่อนโยกล่อยู่ไกลก็ตามเถอะเราจะตามไปกําจัดไปชําระไม่ทันนั่นหรอกแต่ตามชําระนั่นไม่ทันเรียกว่าตัวนั่นาเป็นตัวมายาจิตนั่นเรีย good. จิตวิญญาณนั่นเรียกว่ามายา่าง มันหลอกลวงจะไปตามรูมันรู้ไหมไม่ได้ตามรูคือไปตามรูที่มันไปแล้วนะไม่ใช่ตามรู้เท่ารู้ถัดไปตามรูที่หลังถ้าใช้เอามาเสียบมันก็ควายหรือซัดปา ก, กนะจ้าที่มันวิ่งหนีปนหนไปนะแล้ ว, ลวตามเห็นอยู่แต่ไม่ทันตวงเลยมันเห็นเราก็วิ่งเ่ะแล้วก็ตาเห็นอยู่แต่ไม่ทันตว ันกจีที่มันวิ่งไปโน่นไปนี่ก็เหมือนกันตามเห็นเยอะแต่ว่าไม่ตามตัวไม่ทันนี่คันธามันออกก็เริ่มเลยนะไปตามไล่ก็ไม่ได้ไปตามจับกไม่ทันพอเราว่าจะไปตามแก้ตามอดตามละละตามถอนมันไม่ได้อยู่ในเรื่องนั้นเลยเรื่องการงานเช่นว่างานในบ้านของเรามีอยู่เราจะต้องทํามันอีกไปถนุดไปคิดถึงงานในบ้าน เขาบอกเอไม่ใ <One> ช <input> ่เรื่องนั้นเราเพราะว่านาแล้วไม่เอาลงานนั้นมันที่ไปทางอื่นแล้วสันเราไปหางานอื่นหนึ่งแล้วเราไปหาคนอื่นหนึ่งแล้วไปหาเรื่องอื่นอยู่แล้วเราวิ่งไปโน่นเราไปตามอืนมันวิ่งไปทางอื่นอีู่แล้วไม่มีวันถัดเรียกว่าตามรู้ตามรู้ตามเห็นแต่ไม่ใช่รู้เท่ารู้ทันอันนั้นเรียกว่าตามรู้ตามเห็นไม่เฉยไม่ใช่รู้เท่ารู้ทัน ถ้ารู้เท่ารู้ทันนั่นคือจิตที่มาสงบอยู่ในอารมณ์เดียวมีสติประคองอยู่คือเราพัดระวังรักษาอยู่มามันแวบออกไปจากนั้นขณะที่มันแวบออกไปจากหนึ่งเมื่อไหรอารมณ์หนึ่งเมื่อไรแล้วก็รู้ว่ามันแวบมันาไม่แทนไปถึงเรื่องอื่นเรื่องใดเทีย่ยงเด่ามันติดตัวมันไหวตัวเรารู้เท่าทัน อันนี้เรียกว่ารู้เท่ารู้ทันวิธีที่จะรักษาจิตต้องรักษาตรงนี้รักษาได้ท่านจิตต้องทันตรงนี้จะไปทันอย่างโน้ตไม่ได้หรอกซักแค่คำพูดว่าทันแต่แท้จริงไม่ทันในด้านปฏิบัติจริงจรงจังมันทันตรงนี้ทีเดียวตรงที่จิตเป็นหนึ่งก่อนทุจิตจะเป็นหนึ่งมันวิกมาพอแรงแล้วจนเหน็ดจนเหนื่อย่ เราตามหามันค้นคว้าหามันอยากที่ว่านี่แหละจนกระทั่งมันเน็ดเหนื่อยมันหมดกำลังมันยังเคยมาอยู่ในอารมณ์มันหนึ่งพว่าอยู่ในอารมณ์มหนึ่งอันนี้เรียกว่าตามรู้เท่ารู้ทันจึงจะมีหันทางชำระตาสางจิตใจได้แล้วชำระในตัวพรรู้เท่ารู้ทางก็เรียกว่าชำระในตัวแล้วถ้าไปตามรู้นั้นมันมีการชำระเพียงแค่วรู้เฉย ชนะได้ยังไงสมมติเรามาคิดไปปรุงไปแต่งไปประกอบจิตการงานในอารมณไม่ไปปรุงก็แต่งจะนี่จะเหนื่อยนะโอ้ม่ถูกมาทางนี่ควรจะรู้มันต้อมีการแฉลบมันไปปรุงไปแต่งพอแล้วส่วนจิตที่มันเป็นหนึ่งนั่นถ้าไม่อยู่ในอารมณ์มันหนึ่งเพราไหวตัววุบนะน่ะมันก็รู้เลยรู้อันเนี้ยอันนี้มันไหวตัวมันจะออก รูเท่ารู้ทันทันทีอหไรมันก็ไปถึงกับที่ไปปรุมไปแต่งที่ไปยึดไปถืออะไรทั้งหมดเนี่งเป็นเรื่องชำระอีกในตัวนี่เรียกว่าการหัดภาวนาต้องใช้อุบายเงียบขริยลึกละเอยีอยดใช้กวามกล้ า, าหารยอมสะละทุกด้านทุกทางเวลาเนี้ยเราจะยอนชะละมดไม่เอาแอต่ ถึงเข้าถึง จ, งจิตที่เป็นอารมอันนีเนวเอกกันตาโราเอกกันตัตาจิตได้ถ้าคํำถูกก็ขอ ง, ง่ายนะไม่ใช่ของอยากแล้วพอเราพอทบทุรก็ท่านี้แหละเจ็บตามรู้อันนี้มันอาใจกันจิตทำไมยังเป็นอย่างนี้คือความสนใจอยากรู้ อย่าเขียนในเรื่องนั้นอย่าเข้าใจในเรื่องจิตที่เป็นอยู่อย่างนั้นมันก็หมดภาะระอื่นก็ไม่เอาเรื่องเอาการมันก็อยู่ในอารมณ์เดียวไม่อยู่ได้ถ้าทําจักแต่ว่าทำแล้วไม่รู้จักจุดหมายปลายทางแล้ว่ามีไม่ตั้งปฏิฐานไว้ในจุดนั้นจักแต่ว่าทำก็ไม่มีวันที่จะสงบได้เลยถึงสงบก็ไม่รู้จักจิตที่อยู่และจิตที่เจริญหรือจิต ท, ท, ที่มันเสื่อม ไม่รู้จักเหมือนกันเป็นไปแล้วกับเสื่อมไม่รู้ตัวจเจริญไปแล้วไม่รู้ตัวแล้วเจริญไปแล้รักษ า, าไปไม่ได้ถ้ารู้จักอ๋อทางนี้เป็นไปเพื่อความเสือ่อมทางนี้เป็นไ ป, ปเพื่อความเจริญทางนี้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่มันเคยมีวิธีรักษาจิตได้เป็นไปเพื่อความเสื่อมคือไงคือว่าปล่อยตามยถากรรมเป็นไปเพืควคมเจริญยังไงคือรู้เรื่อง เมื่อเข้าถึงตรงนั้นเมื่อจิตเป็นอารมณ์มาหนึ่งแล้วมีสติระวังรักษาอย่าให้มันแวบออกไปจากนั้นเพราะมันแวกไ ป, น, น, ไ ป, ไ ป, ปกนี่มันเป็นไปเพื่ความเสือ่อมนี่ยเป็นไปเพืความเสื่อมแท้เลยต้องออกจากนี่นะมันออกจากอารมณ์มาหนึ่งแล้วชำาารากกระทันทีทันใดนะมันก็ไปไม่ไม่ได้มันก็ไม่ออกจากวงนั้นมันอยู่ในอารมณ์นั้นนี่เป็นไ ป, ปกพืความเฉลินพักได้อย่างนี้ชำนานชำอิฐนานและตลอดการเวลาได จิตบังคับได้ทุกเมื่อทุกขณะทุกยุริยาผลมันก็เป็นไปเพื่อความเจริญถ้าจิตใจไปเพื่อความเจริญแล้วคนี้จะให้ตั้งอยู่ได้ประการใดแล้วก็รู้เท่าถ้าอยู่เงียบเรียกว่าตั้งอยู่ได้แทบรอยมันก็เป็นไปเพื่อความเสื่อมถ้าไปตามรู้ทำเข้าใจไปตามเห็นเรื่องของมันก็เป็นไปเพื่อความเสื่อมสกัดมันไม่ได้รักษามันไม่อยู่มันก็เป็นไปเพื่อความเสื่อมถ้าไปจากทางมันเสื่อม ถ้าเรารู้ใจทั้ ง, ง, งสองมันก็ตั้งอยู่ได้นั่มันเป็นไปเพื่อควมเจริญนี่เังหว่าทำเพราะว่างาอ ย, ย่าไปคัดเรื่องว่าทำถ้ามีเงียบคลายวายภายในจริงอย่เปลี่ยนไปเพื่อควมเจริญวันนี้ว่าถึงเรื่องวิธีภาวนาโดยเฉพาะเอาเนื้อความย่อเพียงแค่นี้แหละไม่ต้องเอามากหรอกเอาละการขัดภาวานา ที่เรียกว่ากรรมฐานเนีจะไปเข้าใจอะไรกันมากมายให้เข้าใจเพียงว่าเราหัดทําความสงบปกลมใจของเราเป็นสมาธิที่จิตเน่วแน่อนเดียวนี่เป็นความต้องการความประสงค์ในการภาวนากรรมฐานใจยังไม่เคยพักผ่อนคือยังไม่เคยรวมเป็นสมาธินิ่งแน่วอยู่ในลมอันเดียว มันมีแต่ฟุ้งซ่านส่งาจ อ, อยู่ตลอดการในลาแม้จะนอนหลับมันก็ยังมีการส่งไปอยู่คนเดียวใจมันไม่หลับมันยังส่งไปอยู่คิดไปอยู่แล้วก็เกิดกลายด้วยควฝันแต่ย่านนั้นในการอัตโทนาสมัยความนั้นการพัดใจให้ใจพัดผ่อนให้สงบ การพักของกายคือการนอนการพักของใจคือการทำความสงบใจมันจัดได้ยากทั้งทั้งที่เหนื่อยอยู่แหละแต่มันก็ไม่ยอมเหนื่อยใจคิดนึกจนเหนื่อยจนเบียแต่มันก็ไม่ยอมพักเพราะเราไม่ได้ขัดทห้มันพักเราไม่เคยหัดให้มันพักในการกขัดข้อนานคือการขัดักใจ ใจเป็นของมันมีตัวเห็นนั้นเราจะต้องหัดให้มันไปอยู่ในจุดเดียวเอาพูดเรงเรื่องใจได้ก่อนใจคือของนกลางของที่มันมีอะไรเรื่อยใจการที่จะคิดดีคิดชัว่วไม่ใช่เรื่องใจคิดหยาดคิดละเอียดไม่ใช่ใจใจตรงนั้นตรงนี้คือจิตอาการของใจเรียกว่าจิต มีตั้งรัฐสูตรขึ้นมาใหม่เพื่อให้เข้าใจใเข้าหมายแอธิบายเข้าใจใจเรื่องของกลางของรงกลางมันมีอะไรเหรอเรียกว่าใจในขณะใดที่ใจเราเฉยๆนั่นนั่นนั่นเข้าถึงใจแล้วอย่างน้อยที่สุดเรามาหาอย่างนี้ก็ได้เรากั้นใจลองเข้า ใ, ใจแล้วสักพักหนึ่งในขนาดครู่เดียวขนาดเดียวนะ่ะแล้วเราจะไม่คิดนึกสงนาหลัง แม้จะโกรธเกียดใครก็ตามนี้รักชอบไครก็ตาม น, น, นี้นิ่งเฉยในขณะนั้นมีอะไรบ้างคือมีความรู้สึกว่าเฉยนั่นจวนใจที น, นี้เวลาหายใจระบายลมหายใจมันก็หนออกไปเขาจึงสมมติว่าลมหายใจคือมันใจมันวิ่งออกไปตาม น, น, นั้นเองเขาเรียกสมมติว่าลมหายใจ นั่นแหะใจตัวนั้นแหละเราจะหัดจะมาเท่าเป็นอย่างนั้นถามตัวเองลองดูไปรู้อ่ะในเวลาที่กั้นลงมาใจมันสบายไหมไม่มีอะไรมันก็สบายควาโกรธค้อมเกลียดในเวลาที่มันทําให้เราเดือดร้อนต้มใจเพรานั้นหายหมดแต่อยู่ในช่วงผู้หนึงขนดาดเดียวเลนะทำยังไงครนี่เราจะทำตัวนั้นให้มันอยู่ต้องมีวิธีฝึกอบรม ดังอธิบายแล้วใจเรื่องของมันมีตัวเหมือนลมที่ท่านเรียกว่าอารมณ์ของใจนั่นนะก็ไม่ผิดกับรมธรรมดารมธรรมดาลมมันต้องถูกสัมผัสริงใดที่หนึ่งพระปรากฏเช่นใบไม้หรือเขามันป่อนเช่นตัวของเรานี้ก็ตามถึงลมมันต้องมากระทบแล้วยังรู้จักมีลม ใจก็ให้มันไม่มีตนมีตัวก็ให้มันกระทบอย่างเดียวลมกระทบวัตถุสิ่งของมัน่ะแต่ว่าใจเรื่องของมันมีตัวเราจะต้องให้มันกระทบกับสิ่งที่มีตัวแลือของมันมีตัวก็ตามเช่นสิ่งที่มีตนมีตัวมีรูปเช่นนั้นเราไปให้กระทบที่ปลายจมูกคือลมหายใจขอกถ้ามีความรู้สึกตรงนั้นอ่ะเฉพาะลมหายใจขอกหรือพี่จะนั่ก็ให้นึกพุทโธมันมีตนมีตัว มันอยู่ตรงไหนก็ช่างแรว เ, เศรษฐีไมอ่อยู่ตรงไหนก็ตามพุทธโหโ ท, โทนึกอยู่พุทธโท น, นกทระทบตัวแห่งเดียวสติไปควบคุมให้อยู่แนวในอารมณ์เดียวให้จิตอยู่แน่วในอารมณ์เดียวจริงๆจับมี่วิธีผักอบรมฝึกฝนใจให้มันพักผ่อนเมื่อเราทำตัว อ, อย่างนี้สติควบคุมมั่นคงแน่วแน่อยู่ มันจะลอมเวกเข้าไปโดยที่เราไปตั้งใจตรงนั้นเราหัดเราหัดไมได้เราทํำไม่ได้เราทําได้เพียงแค่เนี้ยคือจะตีผมไม่มันรู้สึกอย่างเดียวอที่ปลายจมูกก็ตามตั้งแต่ปากโถดปลายจมูกเพื่อที่พุณโทรก็ตามเราหัดได้เพียงแค่นี้ผมลงได้เพียงแค่นี้เมื่อมีพลังเพียงพอแล้วมันจะหายเว้าลงไปที่เรียกว่าจิตเข้าราะวังด้วยจิตรวม ไปมความรู้สึกหนึ่งของมันเดียวต่างหากต ร, รงนั้นแหละเราจะเข้าถึงใจเมื่อเข้าถึงตรงนั้นแล้วจะเป็นครูหนึ่งขณะเดียวก็ตา่างเถอิดพอ้โ ห, โหอังตรงนั้นอ่ะมันจะชอบผมใช่ใจไง่ายหลวงพี่เลยที่หลังจะทํำเองชอบใจแล้วทําเองเลยไม่จงกี่เกียรไม่มีใครบังคับถึงยังไงไงตรงนั้นเลยจะยีเดินนั่งนอนไม่ลืมหรอกชอบใจ เราจะได้ความสุขจากการอบรมภานายอย่างแท้จริงสุขอนั่นาหาไหนเปรียบไม่ได้สุขด้วยวัตถุหรืออาวิธที่เราอาศัยนิดเดียวอันี้เป็นของมหาศาลมันคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าการหัดอย่างนี้สะเสียการช้งานเปล่าไม่ไเลยทีการงานยิ่งดีขึ้น ขณะที่เราฟึกผลเราไม่เช่นเราทํางานนี่อย่างเราอยู่เงี่แล้วมันจะทงานอะไรเงี้งานก็เป็นงานการก็เป็ น, า น, านกนารคิะทึกทั้งหมดเรื่องอะไรไปเพราะเราเอาลมมาเงี้เขาขณะจิตเดียวพักเดียวตอนนั้น่ฟื้นใจเดียวสามารถจะมีความสุขอนั้นต์คล้ายๆกับว่าตัาา้งเป็นปีๆนิพนธ์ความรู้นะั้ะคล้ายๆกับเป็ของยืดยาวเขียนแทบจะไม่หมด ก็อะไรเราขณานจิตใเรื่องของเร็วที่สุดพักเดี๋ยวการอบรมฝึกผลขนาดจิตเดียวเท่า น, นั้นไม่ได้เสียการใช้งานอะไรเพราะฉะนั้นการอบรมภาวนาจงให้เข้าใจว่าเพียงเพื่อพักผ่อนใจไม่ใช่อะไรทั้งหมดจะเกิดฤทธิ์เกิดเดชเกิดปาที่หาริย์ของโนกนี้อย่าไปพึงคิดมันเลยเพราะว่นั้นไม่ใช่ของต้องการหรอก ถ้านี่ไม่มีแล้วนั่นก็ไม่เกิดเหมือนกันถ้านีม่มีแล้วอนั่นจะเกิดมันก็เกิดมาเกิดก็เป็นเรื่องของเรื่องคนเราไม่ใช่จะเป็นอย่างนั้นหมดทุกคนบางคนกมีความรูม้แปลกประหลาดบางคนก็ไม่นีแต่การภาวนาอบรมวัฏฐานสืบความหมายมต้องการอันเดียวส่วนี้ราะฉะนั้นอย่งพาทำเอาเลยลงปัจจุบันเลยจิตใจให้แน่วแน่ลงจะต่อปัจจุบันเลยทีเรา เขาอนานหาอะไรก็ ม, รรก ม, รก ม, ม่มีเรื่องอะไรก็าไม่พิจารณาอะไก็ไม่พิจารณาไม่เรื่องพิจารณาอันดันเป็นเพราะเราเซอ่อซึมไม่รู้จักที่พิจารณาแท้แท้จริงมีอยู่ของเราไม่มีวัดเรื่องทั้งหลายอ น, นี้ถ้าหากเราปัญญาไปสอดสอนเข้พิจารณาค่อยจะเจอตัวของมาก มันเปนที่นั่นเหตนั้นจริงว่าเราเมาตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดแล้วทุกผู้ทุกคนจงน้อมเอาสิ่งเหล่า น, นี้จงน้อมใจเข้าไปพิจารณาสิ่งทั้งหลายนี่นะ่ะนอกจากเราพิจารณาแล้วนอกจากเราจะพิจารณาแล้ว ไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่เราจะทําเรียกว่ามาทํากลมเพียนภาวนาเลยดีคือใพิจารณาเท่านี้ก็พอให้เห็นชัดเจนแลยก็เรียกว่าเราภพวนะพิจารณาเท่านี้แหละเห็นนั้นเองอ่าให้ตั้งใจอุตสาหาวิทยะประกอบขบพระเพียงทําโดยความไม่ประมาท จ, จะเห็นอํานาจอันนี้สง ของการพิจารณาดังอธิบายมาอย่างเดีย